จำไว้ให้เล็กในกลวงหัวใจนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนี่ถ้ากรรมฐานมาทะเลาะกันเราไม่บาดทะลาะเราไม่อยากพบอยากเห็นยิ่งเราเป็นอาการอยูแ่แล้วเราสอนหมู่สอนเพื่อนก็สอนเอยอะทางสอนด้วยผลทุกงแง่ทุกงมุมจนจะไม่มีอะไรสอนเพื่อ น, นแล้วเรื่องทุกอย่างก็สิ่งที่เป็นมานี้บอกไว้หมดสอนไว้หมดแล้ว นี่เป็นกินได้ต่อหน้าต่อตาไม่มีความละอายจิเห็นไม่ละอายเลยดูเอาอยนะ่างนั้นมจะอายอะไรมันเป็นข้าศึดของธรรมนีม่ถามองโรมนั่นเหรออาขุนเกิดขึ้นข่าหลังแล้วไม่จะพูดอะไรเลยออกคำคือออกจอวัดก็อยู่กันมง่ายเขื่อ น, นเป็ น, ง า, ปน า, า, งางนะเปรียจะลายสาววงคณะนั่นเจืของหยิบขอี ใครก็ถูกหรือผิดถ้าลงในทะเลาะกันแล้วนั่นแหละตัวผิดถ้ายังมีฝ่ายถูกอยู่ฝ่ายดีอยู่ไม่จะไม่ทะเลาะตรงนี้ตรงสำคัญใครก็เสียดายใครกูอัศว์ของใครนั่นแหละมันกัดกันตรงนั่นแ่ะในทั้งพุทธการก็มีถ้าทำก็ถึกกับพระวินันทอนไอ้ น, นั่นไม่อยู่ในวัดกับพระพุทธเจ้า ต่างองค์อยู่นอกวัดอยู่คนสำนักมีบริษัทบริวารองคละห้าร้อยกว่าขึ้นไปแล้วก็อาจารย์คือ ท, ทำมกรถึงนั้นไปถ่ายส่วอมอน้าอะไรกระบอกล่างส่วมแล้วเหลือน้ามาไว้พระวิญญาณทอนไปถ่ายก็คือยนน้าที่เหลือ ถ้าทำมากะ็กะทึกกหมายมเป น, นักเทศน์นั่นเองวินนทยาธรกรหมายมเป็นผู้ทรงพระวินยัยแต่ฉานในวินยัยพร ะ, ระวินัยธรไปถ่ายก็เห็นน้าเหลือแล้วไม่กระบอกเพราะเป็นกระบอกสาธารนณะไม่ได้กระบอกส่วนตัวพิเศษถ้าเป็นกระบอกพิเศษเหลือไม่ได้นะพระวินัยท่านมีทั้งที่ผมเหลือไว้นียทุติยผมนะพุ่งก็ะตาปฏิบัติตามพระวินัยข้อนี้ ถ้ามาอยู่ในสาธานะผมจะเหลือไว้วนั้นไม่ได้เชื่อเชื่วมสาฐานะล้างแล้วต้องให้หมดอบอกน้านั้นจะเหลือไว้ไม่ไ่ะผิดพระวินัยกว่านี้ตาบวบัตไนีมีข้อเว้นเว้นไว้แต่ก็บอกนั้นเป็นของส่วนตัวถ้าเฉพาะตัวเหลือน้ํามไม่ได้มีพระวิ น, ย น, นัยกว่นี้ใครเห็นแล้เห็นก็ตามมีอย่างนี้เราจําไม่ลืม เพราะการดูภายในแล้วดูซะจนขึ้นมาหยุดตแต่ระยะ น, นี้แหว่าสพชขาไม่ทราบว่ากี่เที่ยวอะไรสําคัญสาคัญคัดลอกออกมาท่องปนญหานั้นนะ่ะมาหาขันภนะูพชิขาส่วนวินัยยมุกเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามก็ออกจากภูพชิขามาหาขันนั่นแหละนี่คก็ประจํานักทำอยู่แล้วเป็นหลักสูตรอยู่แล้ว มีเวลาเพระเาะวินัยทอนจะถ่ายออกมากไปพูดให้ลูกศิกษย์ฟังเขาทำมก็ถือนี่ทำไมไม่รู้วินัยถ่ายท่วมแล้วเหลือล้านเลนก็บอกให้ลูกศิษย์ฟังพร ะ, ว, ระวินัยทอนก็จว่าให้ลูกศิษย์ถ้าทำมก็ถืกมาอาจารย์ทั้งคุณทำไม่ถูกถ่ายท่วมแล้วเหลือล้านเลนก็ บ, บอกะมีสุดท้ายก็ถึงอาจารย์ก็ถึงอาจารย์ก็ทะเลาะกัน ผมสรุปไปเลยแล้วกันก็ไม่ลงรอยกันถึงขนาดพระพุทธเจ้ามาเป็นประธานในการชำระอุปกรณ์ทั้งสองยังไม่ยอมลงรอยกันเลยฟังสิกิเลสเวลามันต่อสู้มันเห็นสาสดาเมื่อไหร่มันเจ่งทั้งสองเลยไม่ยอมครับพระองค์ก็เลิกดัดสันดานพระเร่งนี้ แต่แท่านแานแบบหนึ่งสเสด็จนี้เขาไปอยู่ในป่าลยลยกับช่างแต่จำมันสาที่ป่า ล, ลายลยมีพวกญาติโยงเขารูเรื่องดูลราว่าพระทะเลาะกันพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้จำร่าอธิกรณ์นี้ยังไม่ยอมลงกันจนถึงพระบู้เาสเสด็จหนีไปอยู่ที่ป่าลยลาย เรื่องมันก็แดงขึ้นไอมาเขาก็กชี้หน้าพระทั้งสองฝ่ายนะพระทำมัก็ถกก็ดีพระวิญญาณทอนคดีสุดท้ายเขาก็ามาเข้ามาใส่บาตรอมโพโต้ตัวล่าแล้วนี่ที่นจะตายเขาไม่เคารพเขาไม่เริ่มใส่เขามาชี้หน้าด้วยไม่ใช่ธรรมดาเพร า, าเห็นโทษ จ like mm ึงยอมโทษของคลากันแล้วไปทูลพระศาสดาเสด็จออกมาอย่งช่นที่ข่าวอยู่ที่มังโกสัมพีองค์ที่้มาทำละที่ก่อนยอมก่อนทำละเลยตอนนี้ถึงขนาดนั้นนาตโดงเขาเยังจะไม่สส่บาตรโยมเที่ยชี้แงญีปผลนห้เขาสร้างเขาก็ยอมจึงได้ยอมลงเพราะเขาเชื่อศาสดาถ้าเก่นๆนั่นไม่เชื่อ เกือบเป็นเกือบตายเลยลเขาไม่ เ, เข้าสบานะ่าให้กินตัวว่างเลยนั่นแหละโทษแห่งความอวดดีมันเป็นอวดชั่วมันไม่ใช่อวดดีกิเลสมันหลอกว่าอวดมวากว่าดีแต่หลับธรรมชาติแล้วมันอวดชั่วเอาชั่วมากระจายมันก็เป็นไปอย่างนั้นผลแห่งความชั่วจะทําให้ชิบหายไวโปร่งไปหมดศาสดาก็ต้องมีเสด็จนี้เข้าไปจำมันสาบิพิปายหรือไรไม่ในภาษาหนึ่งมีอยู่แล้วในธรรลา หนูผมก็ไม่ค่อยเอามาเล่าให้ฟังฟังเอาสิถ้าไม่มีเหตุนั้นก็ ล, ลืมไม่ได้่งที่เรียนมามากน้อย น, นอกจากคนมีเหตุมีอะไรมันก็ไปสัมผัสมันเป็นของหยิบของดีเมื่อไหร่คนหนึ่งผิดคนหนึ่งยังดีอยู่มันก็ไม่ทะเลาะกันมันก็รู้ว่าใครผิดใครลงในทะเลาะกันแล้วไม่มีใครถูกมีนจะผิดท่าเดียวเท่านั้นยัง เรียกตัวใหญ่ๆตอนนี้ยังบังคับมันไม่ได้แล้วจะทําังไงพวกท่านผมพูดด้วยความกระโดใจผมนะไม่จะพูดธรรมดาวันนี้อ่อนเพียรเต็มที่ยังบึกบึนมาถ้าหากว่ามันไม่ได้เรื่องแล้วผมจะหนีจากหมู่เพื่อนหนึ่งยานหนึ่งก็ไล่นี้หมดไม่ให้อยู่มันหนักใจมนนีสองอย่างเราอยู่ไหนอยู่ได้แล้วไม่คุยอยู่กหมูกับคณะนี้ก็ อ, อยู่ด้วยความเมตตาสงสาร สมข้อสงหาไม่ได้อยู่ด้วยความสมัครใจที่ใจเราเป็นคนว่าสนาน้อยตั้งแต่ไหนแต่ใดมาไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับใครต่อใครปฏิวัติที่ก้าวผีเต็มๆที่เคยพ้นหมู่เพื่อนฟังนั้นผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับใครเลยฟั้งเสร็จการก่อการสร้างก็ไม่มีคุดแต่ในหัวใจนี้กับระหว่างกิเลสกับธรรมัจนจะเป็นแต่ตายเอาจิ้เอาจางีไม่ไทําเล่นทํำอะไร เดินตายทิ่งดนมาเวลาจะตายอยู่ในป่าให้เขาม่ีใครทราบผมเลออกมาน้องผือบางครั้งเึงพ่อแมูมาจา์ตกกระดึงตัวเหลืองเหมือนกับทาคมินนั่งเหลือจตหนังห่อกระดูกลงมาจากเขาท่านรับผมมองเห็นท่านกับกองตกตะลึงลโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านหมะ แลไม่ด้ป่วยอะไรนะั่นทรมานตัวเองตัวมันเหลืองหมดก็แสดงว่าดีสั้นเนี่ยมันไม่ไดเป็นเพราะมันเอาหนักฝึกเจ้าของไม่จะสุ่ยเล่นๆนะฝกจริงๆฝึกหนักจริงๆการแนะนำส อ, อนมือเพื่อนรู้ด่าว่าขาวนี้มันที่ปะติว๋วยังพูดแต่ปากสอนของไม่ได้พูดแต่ปาก ว่าอย่างไรเอาอย่างนั้นเลยขาดจะบ้านไปเลยไม่ค้านไม่ได้เอาคำตรัดคําจริงลงตีโยแหลกเลยชีวิตจิตใจไม่มีความหมายคำตรัดนี้จะต้องให้อยู่กับโลกกับศาสนากับหัวใจเราต่อไปเรื่องชีวิตจิตใจนี้ดีก็ตายชั่วก็ตายไม่สําคัญถึงขนาดนั้นมันเพิ่งได้ลงกันหลักโดยพูดให้นฟังแล้วการปลดตนวมารตัวเอง เอาถึงกรน้านนั้นเลยผมไม่ได้นึกว่าจะมาในมาฟถูกเสียสารพั้ดงดอกให้เป็นครูเป็นอาจารย์นะวัถนาผมมันเป็นอย่างนั้นไม่ยุ่งกับใครไม่เกี่ยวกับใครอยู่ป่าอยู่เขาก็มีแต่พันเนลีลุมล่มลุมหลบโน่นเหลนนีนนน้อยู่อย่างนั้นเพราะมันไม่สบายอยู่กับหมู่เพื่ออยู่เกับเจับของมันพอดีพอดีพอดีพอดีก็เจ้าของทั้งๆที่อายุหนุ่นมๆ น, นั่นนะ มันไม่เกี่ยวข้องกับใครแล้วมันก็มีอย่างนี้แล้ววันนั้นก็ลุมพันนี้ก็ลุม่มมุ่งระยะแม่ครัวจานมาล่ภาพลงไปเท่านั้นถ้าจะเกี่ยวกับมองหาตัวไม่เห็นมีแต่พรนเน้นลุมก็ตั้งแต่นั้นมาไปเลยอยู่ในเข้าป่าเขาเขาก็ลุมไปไปที่ไหนก็ไม่กี่วันละเดี๋ยวผูกไปเดี๋ยวนั่นผูกไปเดี๋ยวนี้ผูกไปเดี๋ยวแน่นป่าไปหมดเต็มป่าไปหมด เดี๋ยนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่กี่วันะลุมไปอีกสุดท้ายก็เลยรับได้อย่างเป็นมานี่นไม่รับด้วยความสมัครใจความต้องการนั้นสงสารแต่ถ้าคิดเกี่ยวกับความขมูกับเพื่อนนะมันเป็นเรื่องหนักอยู่ด้วยลำพังจะของพอหมดลงมาใจแจะสูบลงมาใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งพอถึงวันเท่านั้นมันพอแล้ว ไม่ไวังอะไรแล้วในโลกนี้มันชัดอยู่งนหัวใจมันหมดหวังทุกอย่างแล้วความหวังอะไรๆมันก็หมดไปแล้วแม้ที่ถุกพูดแต่มันเต็มปากแม้แต่ความหวังมากผลนิพพานมันก็หมดมันทั้งจริงหมายมั่นปันมือเอาเป็นับตายถ้าไหวทำดวงนี้แล้วขั้นแล้วมันก็หมดออยากไปไหนก็ไม่ไปอยากไปสวรรค์ก็ไม่ไม่อยากอยากไปพุทธโลกก็ไม่อยากอยากไปนิพพานก็ไม่อยากมันหมด มันก็รู้ชัดๆอยู่อย่างนี้ใหัวใจเวลามันเป็นมันเป็นอย่างนั้นมันรู้อย่างนั้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นไม่อยากอะไรอืมถ้าจะว่าคุยก็ว่าอยากไปนี่ผานนี่ผานมันก็ไม่อยากเสียแล้วอยู่โดยลําพังเจ้าของพอประคองลมหายใจไปวันหนึ่งมันหนึ่งพอถึงกาลก็ทิ้งมันเสียเท่านั้นหมายอะไรกับมันหัวใจอะไรกับมันก็รู้อยู่แล้วว่าธาตุสีน้ํำลงไปมีเกลมแผ่นดิน เต็มโลกกระถางถึงมันแปลกอะไรอยู่ในธาตุฐานขงเราเนี่มาเป็นกายเป็นนิสมมสมุติปัน้เฉยธรรมาชาติมันก็คือธาตุสีดินน้ํำลมไฟไปอากาศธาตุกับความรู้ที่ครองตัวอยู่มันมีเท่านั้น <c oughs> ได้อะไรเรียนทำไม่เรียนสิงเหล่านี้ให้รอบตัวจะเดีนอะไรรู้ทำก็ต้องรู้สิ่งเหล่านี้รอบตัวแล้วก็รอบจิตอนะ่แล้วมันจะไปหวังอะไรอีกแล้วมันพอแล้วมันก็รู้เองด้วยกันทุกคนนะ มันกับบสุดท้ายก็ถูกลุมมากต่อมากเป็นอย่างที่เห็นหนี่แหิมน้ามันมากเป็นทุกวันทุกวันหนิ้มทุกวันนี่เยื่อสุขภาพอ่อนลงอ่อนลงพาล่ายุ่งมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จิตมันหดไปหมดแล้วนะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแนะนําสั่งสอนกายใจพอไปยังไปให้แต่ก่อนตอวนี้หดเข้าหดเข้า อยู่ในวัดก็ดูลำพังคนเดียวก็พอดีให้ไปยุ่งมัเหมือ น, น, นแบบซุงนะให้ไปเกี่ยวข้องมันถอนออกมาถอนออกมามเพื่อนเขาหนาเห็นใจทุกละหมากรานนั้นพยายามประคองตัวมีทาไม่ประคองไว้จางขนาดนี้มันไปมานั้นนะผมพูดตรงๆกพรรู้มันจะไปก็รรู้อยู่นี่ เคยพูดในฟังแล้วทำไมจะไม่รู้มันเป็นอยู่กับเจ้าขอ ง, ของโลกหัวใจเนี่ยสำคัญมากแต่ก่อนมันก็ถึงขึ้นถึงแค่เก้าแปดเปอร์เซ็นโลกหัวใจพอโลกหอบเสริมก็ามาทอนนั้ น, นมันถึงเก้าเก้าฟังซิมันเหลือเปอร์เซ็นเดียวที่มันจะออก อืจะควบคุมกันไว้มันเป็นหลักธรรมชาติของมันเมื่อมันยังพอล้างพอเยียวยากันได้ก็ล้างกัน ไ, ได้รู้จุดที่ยังก็รู้จุดที่หักห้ามกันได้ก็รู้มันหนักมากกว่านั้นใครจะไปชนะหักห้ามต้านทานมันมันก็ต้องต่อยอืมนั่นแหละ ตอนมันไปก็คือปล่อยแล้วแต่มันเป็นมันแล้วถ้าปล่อยมันก็ไปยังดีเห็นไม่ชัดเริงขนาดลมหายใจไม่มีมันหอบพุ่งพุ่งุ่งุ่งเหมือนลูกไฟลูนไฟดอ ก, กอะไรเขาเรยกว่อะไรออกขึ้นมาทางนี้หมดแล้วทางข้างล่างลมหายใจไม่มีเลยแต่ความรู้มันมีอยู่ภายในนั่นมันงคับกันไม่จริมั น, น ต่อมาลมหายใจเราก็จอปรากดขึ้นถ้าปล่อยได้ในขนาดนั้นมันก็ไปนี่เงว่ามันตายง่ายขนาดนะ น, 9. 9 น, าา น, นั้นเนี่ยเก้าจุก้าปอเซ็น่เกิดกาลังเท่านั้นพอหยุดลังก็ไปเลยถ้าปล่อยแล้วก็ไปเลยเลยเนี่ยมาถึงเก้าจเก้าปเซ็นเช่นเดียวกับที่ว่าถ่ายท้องเ้ามันนะมาเป็น สองพักนี่นะพักนู่นข้างหนึ่งห็นดที่ชัดพักพักมันหอบบวกกันเข้ากับรูกหัวใจครั้งหนึ่งแต่นนี้มันะกิดคังหนึ่งมันเป็นอยู่เรื่อยเอากันอยู่เรื่อยมันหอบกุญแจลายเป็นทุกทีหอบกุญแจลายเป็นทุกทีถ้ามันแรงยิ่งกว่านั้นเข้าไปอีกมันก็ไว้ไม่ได้นั่นต้องต้องยอมยอมปล่อยกัน ลี่รั้งไว้ก็เพื่ออะไรเพื่อมูอเพื่อเพื่อนมันเองไม่เพื่อเจ้าของเจ้าของนี่ไม่เสียดายไปเมื่อไหร่ได้ไม่เคยเสียดายเพราะเป็นความกินด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนธาตุฐานก็เป็นความกิงแต่ละอย่างนั่นอย่างใจก็เป็นความกินตามธรรมชาติของตัวเราจะขัดไปแย้งกันหาอะไรไม่มีอะไรจะขัดแย้งกันถ้าตุ่างอันต่างจริงวิือใจนั้นแหละจริงแต่ก่อน สินงั้งห้าเขากินอยู่แล้วแต่ใจมันไม่รอบมันก็ไปเสพสารบรรดาว่านั่นเป็นนั้นนี่เป็นพนอมันรอบตัวแล้วมันก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขากินอยู่แล้วไม่กินจะ้อใจบัดนี้ใจจริงแล้วหลือหนันมันก็รู้เหมืใจันจริงเต็มส่วนแล้วมันก็อดกีดกัดกี่แยกกันอยู่ก็ได้ไปก็ได้มีน้ำหนักเท่ากันไม่หนักไม่เบาเท่ากัน เห็นไมมอำนาจของที่ไหนท่านหาดูที่แล้วเขจะหวัดทำหรืมันยังเป็นมาได้ยังนี้ถ้ายังไม่ยอมเห็นโทนอยู่แล้วก็หมดเลยนะต่อไปจะมีครูมีอาจารย์จะมีใครเก่งกว่าเราสุดท้าก็จะไม่มีใครเร็วกว่าเราล้วเก่นกับเร็วมันจะไปด้วยกันมีครูมาฟังทุกแง่ทุกมุม เรงคนมายาของดิเรกที่มันฉลาดแหลมคมมันรวดเร็วพูดหมดอืปติสตั้งพันรดาของปีธันมันก็ไม่ทันปล่อยมันออกมาเหยียบย่ำทําลายและกระจายไปทุกอย่างทุกหนได้อย่างเห็นนี้นั่นะมันเร็วไหมดิเรกมาตลอดเห็นแล้วยังความรวดเร็วของมันตามมันทันเมื่อไหร่ถ้าตามทันไม่ทะเลาะกันนั่นลอกเลียอะไร ยังไม่แน่นะว่านไไหนีไปไหนวันไหนหนีไปไหนก็ห่วงหมู่วงเพื่อนก็กลัวจะเป็นอย่างที่ว่ามันจะมาเป็นต่อหน้าต่อตาจะทำผมทํำยังไงจะไม่ห่วงไงหัหวใจมีเยคยปกครองหมู่เพื่อนเคยดูหมูเหม่เพื่อนฟังมหมู่เพื่อนทังคมกับหมู่เพื่อนอยู่ตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ดีทั่วจะไม่เห็นยังไงแล้วมันจะไม่เป็นห่วงไม่ให้คิด เรื่องเกี่ยวของหมูของเ่อนได้ยมันต้องคิดอย่างเต็มหัวใจนั่นแหละแต่มันจำเป็นก็ต้องไปพืนอยู่มันก็ยืดสืดลงทุดลงอย่างจริงมันต้องฉันไปดูมันเป็นยังไงอันนี้มันก็มีหอบหายใจยาวหายใจยาวอยู่เรื่อยเหมือนกันอันเป็นน้ำมันเองนะบางทีอยู่หายใจฟู่ฟาสตทหนึ่งแล้วก็หยีดไป อยู่ๆหาใจพูดฟ้าสักทีห้หายใจยาวมันเป็นน้ำมันเองนอนหรือนอนพักจิตนยพักจิตพักทาาพักคันมาเดิม น, นม า, น า, นมลาแล้วมานอนภามนาแล้วเงเพราะมีกำลังเมื่อเกินท้องลมขึ้นขึ้นข้ามนี้ดูท่านหันได้บ้าง ช่างรู้จิตได้ตัววันแต่ให้มันอยากมันไม่อยากนะถ้ามันมีอยากมีสั้นปั่นนิดหนึ่งมันทานได้แล้วไม่ต้องสงสัยมันสงคัญมันเฉยเฉยมากเฉยน้อยจากนั้นก็ฝืนถ้าฝืนคือเบื่ออาหารหมดมองอาหารเหมือนเป็นค่าสึกถ้าอย่างนั้นทานไม่ได้ เ้าฝืนมันคำต้องคำมันอ่อนแล้วถ้าเราขืนต่อไปอีกนั่นมันก็อาจเจียนกาอาจเจียนยิ่งอุนแรงมากหมดเดี่ยวหมดแรงไปหมดดีไม่ ด, ดีสลบที่เป็นไนต้องระวังนี่มันครูเดียวเราไม่รู้กี่ครั้งกี่คนว่ามันอ่อนมันไม่อ่อน ฉันงานก็ฉันว่าพอได้อยู่มุ่ช้าหนิแต่น้อง้นทาไมมันอ่อนทบคข์กวนะคนมหาก็พูดคำสองคำนั่นพูดมากันเท่าไรพระดี๋นี้วันนี้ท่าไรพระสามสิบเอ็นสี่น้อย ม, มาย่ไรพระสามสิบเนสเต็มดง ไม่ใช่ลืมทางจงกรมกันหมดแล้วเลยมาอยู่นานๆก็ไม่เห็นทางจงรมเห็นจะเสือแต<อ>่หมาดูนานก็ไปยิ่งประมาทเห็นทำไมอีกนาละอาใจเรื่องนแนะนำจังสอนเพื่อให้ดีให้ดีอันนี้วงปฏิบัติมันจะไม่มีเหลือแล้วนะไหนดูอย่างเรื่อ้ตั้ท นี่อะไรกันเอาแต่วัตถุออกหน้าออกตาวัตถุแบบโลกโลกามาแข่งศาสนาแของอัดแข่งทรรมทางยังคมก็ไม่เห็นภาว น, นาก็มันมีถ้าลงเกี่ยวก็สริงอย่างนี้แล้วเราก็มาขอสร้างคุณให้อีกเพราะาคุณดินกายนี่ยมอยมาทำหาอะไร มันไม่สบายใจเพรามาสร้างกุฏิให้น้าว่ามีมันสบายใจแล้วน้าว่าแต่ขนาดกุฏิหลังนี้ก็ละอาย่าดองเขาอยู่แล้ ว, วเขาอยู่กระท่อมกระแจตามบ้านทันเดินเขยังหาข้าวมาให้เรากินได้เราเป็นคนขอทานกุฏิรู้ราาขนาดนี้จะหาอะไรอีกมาสร้างหอประสาทเล่าตำมณีนี่อะไรในวัดไนว่า อาวธนี่สาสนธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าวัตถุเรื่องก่อสร้างให้กังวลวุ่นวายเราคำนึงถึงเรื่อ ง, งน้ำัางหากนะกี่หลังนี้ก็สร้างกันนี้เขาส่งเงินมาว่าโกงๆเลยเขาเห็นเราอยู่กาต๊บสูงแค่นี้พื้นมันก็ ปูจาบไม้ไผ่เป็นฝ้าปูนั่ด้วยฟางมันด้วยยาเอาอย่งนั่นพังไปสามหลังหลังที่สี่ถึงได้ปูหลังนี้ขึ้นมาเพราะปวกกินต้นเสาลือ่อนลงปูใหม่ องเม็ดห้าสิบจะเหลียงหนึ่งเม็ด อ, องม์ดยยากเขาไปเห็นแล้วเขาล่องหงุดองิดให้พอรทราบว่าเป็นกุฏิของเราออังจากนั้นขเาขนกนาก็มาต่อว่าเราคิีชลากับคนมากๆมาต่อว่าแล้วยังร่องให้อีกด้วย อรูวาจาที่แสวง ด, งดังทั่วประเทศไทยมาดูกุติแล้วเราต้องทำต้านอยู่ได้ยังไงอ้าเราอยู่ในท้องของแม่เป็นยังไงท้องของแม่กับกุฏิหลังนี้อะไรใหญ่กว่ากันกุฏิหลังนี้ยืนได้เดินได้นั่งได้นอนได้อย่างสะดวกสบายไปมาได้ในท้องแม่ไปไหนได้ไมั้ยครับแค่เป็นคนนี้มันอยู่ได้ตั้งเก้าเดินขุดเดือน อันนี้ขนาดนี้นะทําไมจะอยู่ไม่ได้ทำไม้องกา ร, รกว้างๆเขาอยู่ทุ่งอยุทยายังเนี่ยว่านนงเลยเขาไม่ยอมที่กลับไปก็ส่งเงินกลุ่มที่เราไม่มีข้อสา่งเสือไม่มีข้อแม่อะไรไว้ก็ส่งกลับื้นก็เหมือนประชดกนันนี่เรื่องฝืนปลูกนะเรื่องมันเป็นองนั้นนะใครไม่ทราบก็ไทราบเสีย จากนั้นเราก็สังเลยเดียวท่าจะส่งสินส่งของเงินทองมาให้เกี่ยว ก, การก่อสร้างในวัดปาวันตันแล้วต้องให้เราทราบเสีก่อนจะส่งมาส่งทีหกักก่อนหน้าอย่างนั้นไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ตกลงกันแล้วส่งมาเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จต้องบอกองนั้นเลยแล้วก็ถือปฏิบัติอย่างนั้นมาใครจะมาสร้างไม่ได้ขออนุญาตให้เป็นที่ตกลงใจกันมาก่อน ไม่ต่างแม้กรั่งวานไหนมันจะไปรู้หลาญกว่าวัดป่ามันต่างอยู่ที่เรื่งความรู้หลาของวัตถุแขงโลกเขานั่นแต่ธรรมมันจะแห้งผ่าขนาดไหนนั่นทีเราไม่รับรองถ้าลงวัตถุรู้หลาธรรมต้องยุบยอดไปหมดตะไม่มี อยู่ที่ไหนอยู่ไปท่านยังกรมันมึเป็นเหวเป็นอะไร น, นั่นหละทำใจเลยพระพุทธเจ้าสาวกท่านดาเนินอย่างนั้นท่านไม่ละวัตถุกออกหน้าออกตาอะไรนี่อืูที่ไหนไมีแต่เรื่องก่อสร้างถือเป็นใหญเป็นโตเป็นหลักศาสนาใหญ่โตเที่ยวเหอะแข่กั น, นว่าอาทําไม่เคยสนใจจะมาสร้างตัวให้มี ก็แข่งกับกิเลสสอนโลกให้มันไม่เขาอเข้าใจทื่องศัพท์ศาสนาต้องอานต้องทำบ้างมันไม่สนใจวัดกับบ้านโดยเหมือนกันเลวกับบ้านไปอีกพ้ากับคารวะเหมือนกันเลวกับเขาไปอีกนั่นท้ายัดเป็นประานที่เยาะแสลกายเป็นปรานที่สั่งสมขึ้นมานเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ขึ้นมา นัดทำจะเกิดได้ยังไงทำจะเกิดได้เพราะความเห็นแก่ตัว <_ an> เพราะความโลภได้ยังไงฟังดิทำต้องเสียสละถึงจะเกิดได้ น, น, น, น, นี่ลราเรายังเหนียจนป่วยอย่างนี้เราถึงไม่ให้สร้างเราบอกสร้างไปทาไมเราไม่ได้สมายใจนะ พูดกันมากี่ครั้งกี่วแล้วเราพูดด้วยเหตยผลห้ามด้วยเหตุผลทั้งนั้นเปิดเต็มที่บอกว่าเราไมไ่สบายด้วยากางสร้างวัตถุให้เราแต่เราสบายก็เราอยู่สภาพนี้นะครับอกนะั้นถ้าต้องการให้เราสบายก็อย่ารุ่มมีใครถามแล้วเพาว่าพระอามีคนมาทาท่านมันนำแม่แต่พมหากระเจ้าท่านจะ ม, มา น้าเราถ้าตงใจเคยเสด็จมาได้มาที่นี่ถ้าเหม็นว่าอะไรนี่นจะเป็นอะไรไปว่าไม่มีคนนับถือหรือหน้ามันมีใครมาสร้างอะไรให้ก็ให้บอกเขาที่บอกว่เราไม่เอาก็บอกเพรานั่นจะเป็นลายตายอุติจะสร้างให้มันมีแต่เราไม่เอาก็บอกนั่นเชื่อถ้าเขาจะม า, ามทำหนี้จิตเยือนลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมว่าไม่เอาจะใส่ครูบาจางไม่สมนหน้าสนตาอะไรนี่ ก็พูดอย่างนั้นด้วยบอกวาเราไม่เอาบอกงั้นเลยเรายอมรับนั่นแหละอย่าาเนี่ยเก็อยากจะมาทําใหม่ให้ทำใหม่ให้เขาก็ไม่เอาปฏีเทวดานี่คือเราก็ไม่ตีเอย่างนี้มันเหมาะแล้วพอดีแล้วหาอะไรอีมันโกู้ไปอะไรเรื่องโลกโลกมันโกหกอยู่ภายในหัวใจที่ แสงใสสว่างก็จ่างแส้งอยู่ภยายในใจนั่นของอ า, าจารย์นุตรงนั้นต่างหากไม่อยู่กับเห็นกับชายกับอีกกับปูนกับเหล็กหลาอะไรอยู่กับทํามต่างหาทําคมกลมกืนกับใจแล้วใจกับทํามต่างหาก็ัสสาวะหรือหลาทําพออยู่ได้พอ ไปตื่นอะไรกับโลกเขาโลกก็รู้แล้วว่าโลกถ้าโลกก็ทธรเป็นเดียวกันจะมาแยกพูดทำไมว่าโลกว่าธรรม น, นีไม่เหมือนกันเลยหรือวัดกับบ้านยังเหมือนกันได้ลง น, นี่ห้ามการนี้จะลงใจอะไรที่การมันจะเตือนหัวใจนะนกว่าอย่างนี้อน่นี้ เราไม่ขัดหัวใจเราไมนกระเทือนเราไม่อยากไม่ขัดทำพอทำจเจริญรุ่งเรืองอยู่ไหนอยู่ได้นั่นเนี่ยเราเราบอกุงแล้วเดินกปยจวกี่ครั้งถ้าจะเอาวัานนี้นะ่ะไม่ใช่คุยนะแล้วม่สบายแล้วดนมาทําไม่ะ ร ถ, ถเต็มแผ่นดินจะขึ้นรถคันไหนลูกศิษคนไหนเขาห้าเหมเสมอเขาอยากให้ขึ้นรถเ้าหนึน่แล้วมีเหตุมีผลทุก อ, อย่างห้ามอะไรถ้าห้ามาอะไรหารือไม่ใช่พลว่านี่เป็นเรื่องของโลกเขาใช้กันถ้าเป็นเสียงอาใช้ไปความสุขของเ ข, เขาไรอยางเงี้ยแตว่าเป็นเนื่อเป็นหนังเป็ตัวของตัวเป็น เจ้าของโรกของยาขึ้นมามันก็เหมือนโรคของที่เหตุว่าเขาจะเข้ามาเราก็ะห้ามมานา น, นานแล้วขั้นใจยงไปฟ้านี่รุอนเขาจะขอเข้ามาัด้แต่กเกือบยี่สิบปีแล้ ว, ลวถานน้านุญามือนกับไปซ้ายไม่เข้ามาก่อนบ้านนี้ขั้นใจไหนอะไรนานเท่าไหร่เราก็ไม่เอาแล้วก็คิดแล้ว ผลต้นปายของมันทื่จะมีส่วนเกียกับอไฟเข้าวัดมีอะไรบ้างเราคิดหมดแล้วเมื่อไฟเข้ามาในว่านนี้เรายังไม่สนใจถ้าเราไม่ไม่เห็นเหตุผลว่าจะไม่เอาแล้วมันจะเข้ามาติดนี้เราก็ไม่เอาเพรเหตุผลก็ต้องเป็นเหตุผลนี้นั่นเลยเราจะมาลบูบล้างไ่ะถ้าว่าเหตุผลถูกต้องแล้วเหนือ ว, วายเข้ามาอยู่ดูซิ ถิงที่มันแอบแฝงเข้ามาที่จะตามให้เข้ามาให้วัดเสียมีอะไรบ้างมาพมมุ่เ้อเหื่อเหวมกันกามวัดโบราณเยอะอเยอๆไปหมดไม่รทราบว่ามิจฉุโทรสัผู้เย็นเน่มันจะแอบตามกันมาเรื่องอะไรเสีย่อยฟ้ามันจะตามเข้าม า, หมม า, ามเหมือนนั่นเราต้องให้มีก็ไม่เห็นมีอะไรจำเป อาจจะดูนังสือกับไฟเทียนนอกก็มีอยู่แล้วสัญมากตอนกงคืนนันเป็นเรื่องเป็นเวลาภาวนาถ้าจะดูก็ดูช่วงวันดูหนังสือหนัดล้องสงสงัยตรงไหนก็เปิดดูกัางคืนก็มีเรื่อข้างหน้าข้างตาพอหนานี้จำเป็นเลยกับไปไฟมีไฟฟ้าแล้วก็ตู้เย็นมันจะมานเลยกลายเป็ะตูต้เย็นไปหมดเลแล้วเ อ, อ, มอวามือลวงอุปบาญฑม่ได้ร ร้องไฮโฮโฮโ ห, โหโไ้โ호เลยเห็นว่าลาบากเราพีดไปหมดแล้วเรื่องมันจะตามวันนาเดี๋ยวโทรศัพท์กำลังว่าติดขึ้นอีกแต่ั้นมีใบข้ามเลยนโทรศับมาโทรศับมาก็ต้องเอาใ้ามาไงเราขอสองครั้งอละนะ่หลองรับสังมาพูว่ามาอีกต่อเราจะขอ ตังโทรศัพท์ที่ว่าเพื่อการติด ต, ต, ต, ต่อสะดวกสท่านับเกี่ยวกับสรานการเราก็ไม่เอาเพราะผลประโยชน์ที่จะได้มันยังนิดเดียวผลที่เสียที่ตามมานี้มันมากกว่ามากคำพนานามันจบไม่สิ้นเลยสมควรที่จะมาสร้างแรกไม่เอา มันจะกินกลางกินกลงทั้งวันทั้งคืนเลยไม่มีเวลาเลยทั้งไหนก็โทรมาทั้ไหนก็โทรมาพูดรับสายหนีไปไหนไม่ได้หนึ่งตั้งเลยมัน้อเกิดประโยชน์อะไรมันโทรมาได้หมดทั่วกระเทศเข้ามานี่วันหนึ่งวันหนึ่งมันจะเข้ามาเท่าไหร่มันมาแม้แต่มาจังหันมาลาว์มันก็เข้ามาโทร จะโทรไปไหนก็โทรเดี๋ยวว่าจะั้งนอกจะโทก็มาเลยทัางนั้่ก็เป็นบ้าไปเลยอยโทแบบฟังเดี่ยวกันัาหลวงเป็นปีๆเดือทนที่จะโทสักทีหนึ่งนี่เราก็ให้ผลกับผู้ว่าก็อุดรกับนีมาเห็นใจกัน น, น, นี่เห็นผลอะไรมีคัาจำเป็นอะไรก็ยิ่งรถบัตรูาา่ดเดียวก็ มันก็ได้ไม่เห็นจะต้องขอความอนุยาตให้วาชนาวาตลอดเวลาไปเพราะการมีโทรศัพท์ระว่างนั่นในลนของเราการมีโทรศัพท์เป็นความยุ่งหายาำมาเ ม, มืม่อ่านเงี้ยมจะคืบขนองไม่หยือว่างไม่เลยอีกระวังตลอดเพราะเรารักษาศาสนาไม่ ว, วงัว ง, ววงได้ใครกรื้เริ่มใช้ก็จะตายใจไปไกลเรื่องของเขาท่างห เรื่องของเราเรื่องของเรามัคนคนละเรื่องแตมาค้าค้ายกันต่ำหนักขอเรามเต็มภูมิในหัวใจถอยู่ไห น, นก็พอตัวพอตัวไดเวลาใคาจะเรื่องถสเรื่องใส่ไม่มีวิตกวิจารก็ไปเมื่อเจ้าขอหาความวิตกวิจารหาความจำอนู่ติดเตียนตนเองไม่ได้แล้วมันพออยู่นี้สมบูรณ์อยู่นี้แล้วมันก็อยู่ได้สบายเลย เพามันพออยู่เรื่องความพอมันอยู่ในความมีหนมันคิดอย่างนั้นทุกเรื่องทุกอย่างเราคิดด้วยเหตุผลนั่นแหละไม่ว่าจะอนุญาตไม่ว่าจะห้า ม, มเรามีผลเราทุกอย่างเราให้ค้างมาวางกันเลยถ้าเหนือ่อนี้เรายอมรับตามถ้าเราเหนือยแล้วเราไม่ทำแล้่เหตุผลไหนมันก็ไม่เหนือ่อยดี มันทุนนิรอศตัวมา เ, เ, เ, เ, เ ร, าเราื่อยๆแค่มันตกไปเรื่อยๆก็เหตุผลเราเหนือยกนม่ใช่เราไม่ที่ถี่มานะไม่ให้มาทําทำนะเราต้องทำเหตุผ ล, ลรักษาศาสนาเราต้องรักษาด้วยเหตุผลอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวัดกวาศาสนาถ้าเน้นก็ต้องมีเหตุมีผลด้วยทำแบบของเราได้เลย มิ่งทำจิตใ จ, จเราแล้วยิ่งมีตัววิกาลร้ระมุขเพื่อนเพราะมันมีอะไรเหนียวแน่นมั่นคงฉลาดแล้มคมยิ่งกว่าวิเดียร์นี่ฉันยาวาก็ไม่ทันมันเราก็ไม่เดี๋ยวรอมันมต่างไหนมิจเพราะมันเคยฟัดมาแล้วนึ่มันจะคุยไงโอ้โหหือเนี่นนกล้าพูดเต็มปากเลยเดี๋ยวในชีวิตนี้ งานในโลกนี้ไม่มีงานไหนที่จะหนักแน่นยิ่งกว่างานรมาีิเลกมันไม่ลืมเพราะเป็นสัจธรรมตั้งแต่เพิ่มปฏิบัติล้มลุกคุกคันเหมือนกับว่านัาน่านั่งเศร้าน้ำตาเอาผิดสงบไม่ได้จิตมันคึกมันขนองอวดหน้าอวดตาเหยียบ น่าภากเราอยู่ตลรดเวลามันไม่เคียดไม่โกรธไม่แค้นยังไงมนุษย์เราอเอาเปไ็นมาได้ขนาดนั้นมันก็เป็นทั้งที่เราออกปฏิบัติน่เวลากําลังของทำไม่ไม่ผ่องผอมมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาเห็นอยู่เนี่ยนี่ก็เห็นมาแล้วเนี่ยมันไม่ลืมอันนี้เป็นสัจธรรมลืมไม่ไดไ้แต่มันสําคัญที่มันไม่ถอยกันเองจิตจนี้ไม่ถอย มันจะขนาดไหนก็ไม่มีความมาถอยเมันจะจะเอาให้อยู่ตา ย, ตายก็ตายแล้วครับมีคำมัดถอยอย่างเดียวเสร็จเลยเสร็จให้มั น, น, นขนาดนั้นก็มีผมเป็นมาแล้วนะแต่สําคัญที่ความพยายามของเราครั้งนั้นมันเป็นนั้นเอาครั้งนี้เปนนี้จุดท้ายมันก็หลงได้มันทั้งมีเวลา ต่อยได้เหมือนกันครัังหวยต่อยกันนนัะเมื่อต่างคนต่างจ้องแต่กันอยู่แล้วมันมีเวลาต่อยกันันได้นี่เถามีเวลาต่อยกันได้ธพื่อ า, านจิตมันสงบพอจิตสงบแล้วสบายจิตไม่วุ่นวายเห็นคุณค่าของความสงบนีเ่เล่นความเปลี่ยนหนักเข้าห น, นักเข้า คนเฉื่อมไม่ต้องพูดแล้วพ่อเคยดแล้วนะักข้าวจน ข, ขนาดที่ว่ามีตายตอนนั้นเรื่องจิตจะเสื่อมไปอีกเป็นไปไม่ได้ควากนั้ น, นเลยจิตเสื่อมเมื่อไรเราต้องตายไม่มันจะตายแบบไหนก็นไม่รู้นะมันหักเด็ดใช่ขนาดนั้นพ่อเห็นโทษเราเลอเกินจินเตเสื่อมนั่งไม่เหมือนนั่งในกองเพิงนี่ย แต่ก่อนเราไม่ได้ความถูกความสบายเราก็ไม่มีอะไรเทียบเทียมกันนี่กี่ทั้ททงเราเป็นสมาธิแน่นเป็นผลแล้วไปเสริมไม่มีอะไรเหลือติดตัวนี่ใหม่มันทุกข์มากจริงๆ น, นะมนเที่ยวกับเราเคยมีเงินเป็นล้านๆแต่ไปล่มโจมไปด้วยเหตุใดเหตุนหนึ่ ง, งนยนงเหลือเงินอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามเงินที่เหลืออยู่ในบ้านเป็นแต่แสนนี่ไม่มีความหมายยิ่งกว่าเงินที่สูญเสียไป เพราะเตออ่างๆเป็นนั่นๆนั่นเลยนั่ น, น, น, น, นขนาดนั้นของความเสียใจแล้มาสานกระติดสานหวดสานตะก้าขายเอาเงินนั่นๆมามันได้เลยนักอย่างหนึ่งก็อ่อนใจคนเราฟาดกันทุกวิถีทางทั้งเสียเลย้าทั้งคืนแล้วเคยเทีนยนแล้ว้ามันขึ้นได้ ฉะนั้นขยับคนใหญ่เลยถึงนั่งตลอดลุ้นตลอดลุ้นเพราะความขูดความแค็งความขูดแค็ง น, นั้นนีเป็นมรคนอืมไม่ใช่เป็นจิเลโขูดแข็งในจิเลตเป็นมรมู้มานะในจิเลตเป็นมรความมู้มานะไม่รุนแรงไม่แข็งแกร่งความเจียเจียแข็นในจิเลตไม่แข็งแกร่งความเพียรก็ไม่แข็งอันี้เมื่อสิ่งเหล่านี้มันขึ้นเต็มหัวใจแล้วความเพียรมันหมุนตัวมัน เป็นกงจับไปเลยเดียวเถือไม่ได้เพราะความเกลดความหลาหมุนติวติวติวจนกระทั่งถึงขั้นเออคราวนี้ไม่เสื่อมมันก็รู้ต้องอย่างนี้ไม่เสื่อมที่นี่นั่นมันเหมือนถึงคุมผู้ต้องหาโทษดุชการ น, นั่นคุมกันแจตลอดคุ้นกับภายไม่ได้นั่นดิที่ความเพียนมันเด็ก ไม่พ้นกับใครอยู่คนเดียวคนเดียวนอกนจานอยู่วาจาย์ออกจากนั้งกันยิ่งเด็ดมัตั้งถึงสมาธินี่มันเป็นอยู่ตลอดเหมือนหินเดียวนแน่นเหมือนหินเดียวเอาเมื่อไหร่ได้มันอยู่ตัวแล้วจะเปกําหนดรบริกรมรมเพราะนาอะไรเพียงกําหนดอย่างนี้ น, นิ่งนี่มันก็พบเลยจะชั่วกี่วินาทีอะไรนั่น นั่นเี่กจริํว่านาญเราถึงกล้าพูดได้จิตเป็นมาตั้งแต่ร้องลูกูการก็กล้าพูดได้อันนี้มันเป็นอย่างนี้ที่มากล้าพูดไม่ได้เป็นในหัวใจดวงเดียวกันแต่มืนน่นึงเป็นธรรมะที่ท่านนั้นท่านนองไม่ออกทางนั่นปัญญามี่พอออกทางนั่นปัญญามันเห็นกลับมาเห็นตัวหลงสมาธิออกปัญญาแล้วมีจากนั้นกับหมุนติวอยู่ยยกลายเป็นปัญญ า, าอัตโนมัติ ทั้งวันทั้งคืนตั้งกต่ตื่นขึ้นมาจะมาตั้งถึงหลับมีเวลาเพิ่มเมื่อไหร่ไม่ปรากฏเลยฟังผิเป็นเองหมุนนอกตัวตลอดเวลาเป็นเองอย่างนั้นนั่นแหละที่มีจิตดวงนี้เป็นโรงงานสร้างธรรมแล้วถึงตะก่อนเป็นโรงงานสร้างชีวิตชีอะคิด อ, กกอ่ออกก่อนออกก่อนตะกอนผิกตัวออกมาทำํำลายเราก็ถึงขั้น สติปัญญาตุณมัน น, นี่เป็นกิจเนื้งกายเป็นโรงงานสร้างทําขึ้นมาแล้วเป็นเองอยู่ไหนก็าตามมันจะหมุนติวติูติวตลอดในที่สุดฉันหันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่กับรถกับชาตมันจะหมุนในตัวของมันอยู่ตลอดอืมันเผื่อได้ยังไงเมืเ่อไปน้อยความก็เพิ่มไม่ก็เพิ่มมันเป็นการปลุกสติตลอดเวลายิ่งความก็เพิ่มไปแล้ ว, ลวความคิด มันเป็นการปลูกสิ่งกับปัญญาให้บินรอบบิ่งรอบบินรอบบิ่งรอบนี่กิเลสตัวไหนกิเลสไม่มีกําลังที่จะสร้างตัวได้ไมีแต่ปัญญาสร้างตัวในตัว่อเวลากิเลสตัวไหนขาดไปมันก็รู้ตัวไหนขาดไปมันก็รู้รู้เป็นลําดับลาดาสุดท้ายก็ม้วนเสื่อมลงกันมันไปไหนพ้นนั่นแหละที่นี่สบายก็สบายตรงนั้นแหละไม่มีอะไรกวน นี้กิเลสเท่านั้นควหัวใจว่างนี่เลยเราพูดได้เต็มปากแต่มีละเอียดขนาดไหนมันก็มีควรอย่างนั้นเอาจนมันไม่มีเหลือเลยแล้วไม่มีอะไรควรนีแต่ขันมันยิ่นมันดิบอยู่ตามภาษามันก็มีความหมายอะไรเพราะมีอะไรมารับช่วงมันไม่มีอะไรหนุนมันออกมาให้เป็นอิเลสตัญหาม่งขันล้วนๆหนักฐานล้วนๆเป็นอย่างนั้นไม่มีเจ้าของทําแล้วก็ไม่ยึดไม่ถือเป็นเจ้าของของขัน กิเลสมันถือนี่น่ารักกิเลสเป็นเจ้าของพราะตัวการมันดับไปแล้วมันไม่มีเจ้าของมันก็ดุลิทิ์ดุลิทธิ์อยู่เฉยคิดนั่นปรุงนี้ก็ะปุงไปทํารรมธรรมชาติของมันเอ่นเดียวกับหาญจึงเลนขาดไปน่ะไม่มีความหมายอะไรคิดไปอะไรมันก็ดับมันดับของมันเป็นตามหลักธรรมชาติมันมีเท่านั้นที่จะาแม่มันคิดนี่ไม่ได้เพรเรื่องสมมุติในขันทั้งขันนี่มันเป็นสมมุติเท่านั้น มันก็ต้องทํางานตามหน้าที่ของมันเวลานอกจากจะเราจะระงับไปช่วงการช่วเวลาเราจะระงับไปเลยไม่ให้มันคิดมันปรุงไม่ได้หรือว่าเป็นขันอันนี้จังทุกขังร่้งตายเต็มตัวของมันมันก็มีการเปลี่ยนชี้นี้ยับยบอะไรกันนั้นถ้าเราไปสร้างอะไรขึ้นมามันเผาเรามันจะขอนไม่สร้างเพราะไม่มีผู้หนุนมัน เจ้าของมันตายไปแล้วทําเป็นเจ้าของทําก็ไม่ยึดเสียทาก็รู้เท่าเสียขันอันนี้ไงนต่างกันเหมนี้นแา่ทำเป็นเจ้าของไม่ยึดถ้ากิเลยเป็นเจ้าของเรายึดยึดธาตุยึดขันยึดไปทุกสิ่งทุกอย่างกว้างแคบไม่มีประมาณยึดลมยึดแรงไปมันแต่ทำนี่เป็นเจ้าของไม่ยึดอะไรทั้งหมดแม้ตัวจิตเองไม่เห็นยึดกันจะไปว่าอะไรแต่สิ่งรอบ รอบขันรอบจิตคือขันนั้นจิตเองยังเห็นยึดกันนั่นแต่พอแล้วไม่ยึดจนไม่ตั้งถึงจิตหลักเป็ น, นปเองโดยเราธรรมชาติรู้นั้นรู้นี้รู้นี้แยบมืแต่เรื่องอาการของจิตที่แสดงออกมาเกี่ยวกับเรื่องของขันว่าสังขารขันวิญญาณขั น, น, น, ขนไปเืยอะยลงไมีเท่านั้นอันนี้มันต้องเลื่อนต้อ ง, งดีดธรรมชาติจะแท้ไม่เลื่นไม่ยดี เป็นเมื่อไรตายเมื่อไรไม่มีปัญหาหลวงเนี่ยเป็นอกุปปะอย่างสมบูรณ์นี่ยไม่กำเริกหมดตายไม่เร็วมันงู้ยเองนี่ <c oughs> ตัววิจารณ์มมกัหมูบเพืเ่อ น, น, นเนี่ ย, ยอิจภาฟันนันแบบข้าพ่เลศเอาช่าลงไปปัญญาหมุนในท่านในขนัอนองเราแยกแยกดูปันความจริงนันเป็นความจริงมาดั้งเดิมอยู่แล้ว มันจะกิเลสเสกสรรนั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปัญญาฟาดลงไปแต่ความเสกสันได้แล้วฆ่าตัวเสกสรรได้แล้วฆ่าแล้วมันหมดหนมนี่จะว่ามีก็มีจะว่าอะไรมายุ่งกับเราเราไม่ยุ่งนอกจากขันไปยุ่งกับเขาคิดว่านั่นเป็นนั้นอันนี้เป็ น, นี้ไปยุ่งเขาเขาถ้าอันนี้ไม่ไปยุ่งแค่อย่างเดียวปกติทุกอย่าง โลกมีก็เหมือนไม่มีพราะเราไม่ยุ่งแง่กินตรงเดียวนี้ไปยุ่งกินตรงเดียวนี้ไปหลงจิตตรงเดียวนี้รู้เฉพาะตัวแล้วไม่มีใครไปยึดไปหลงคำวาว่าดุง้งดุ้งยิ่งก็ว่าไปตามเรื่องของขันเพราะสิ่งนี้มันควรขันไอ้คิดตรงนั่นตรงนี้มันเป็นเรื่องของขันแล้วก็ไปควรขันแล้วก็ทําลายขันไปในตัวเหมือนตายผ่อนไปนเลื่อยๆไปยุ่งมากๆ ส่วนจิตอันนั้นเาจะเอาอะไรไปทำ ร, ร้ายให้ลูกก็เห็นเข้าหัรู้เองแันที่ทีโครประกาศทั้งวนันตลอดเขาเจะพยายามไปกี่ร้านจริงอง์ก็ตามกี่เวลาเวลาก็ตามไม่ยด้เข้ามาเกี่ยวข้องกันเลยกับคำว่าสันติทีโคของผู้ปฏิบัติที่เหล่งเองเพราะความจริงมันเหมือนกันหมด น, นี่พานไปกี่ปีกี่เดือนก็เป็นเรื่องสมมุติความจริง อันนี้มันจะเป็นอย่างนั้นทันที่ดิโก้ทันที่ดิโกนเอาละ่ะเลิกกันละเหนื่อยล ะ, ละผมก็บืนไม้เฉยนั่นนะ